ได้ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งที่จริงก็ถือว่าเป็นคุณปู่ได้แล้วนะพรอยุเจ็ดสิบกว่าแกมีประสบการณ์ที่น่าสนใจแะเล่าว่ามีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะเป็นนายทุนเงินกู้ซึ่งค่อนข้างจะน่าเลือดสสด้วยนะเพราะว่าเก็บดอกแพง เก็บดอก 25% ไม่รู้ว่า 25% อนี้ต่อเดือนหรือต่อปีนะมาเพิ่อต่อเดือนด้วยแล้วก็ร่ำรวยมากนะเพราะว่าสามารถจะยึดเอาที่ดินของลูกหนี้มาได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากลูกหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายคืนดอกเบี้ยแพงมากจะร่ำรวยนะแต่ไม่มีความสุข เป็นที่เกลียดชังของผู้คนหน้าตาแกก็ไม่ค่อยมีความแจ่มใสเท่าไหร่คุณลุงคนนี้ก็ได้ทราบปิติศักด์นะของเพื่อนคนนี้มานานแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะที่แกมีความทุกข์มากวันหนึ่งก็เลยไปเยี่ยม ระหว่างที่พูดคุยนแกก็ถือหินมาก้อนหนึ่งก้อนขนาดฝ่ามือนะแล้วก็บอกนี่เอาช่วยถือให้หน่อยนะให้เพื่อนรุ่นน้องนี่ถือก้อนหินไว้แล้วก็สนทนานกันไปแต่ถามสารทุกสุกดิบเอาคุยไปได้สักพักานายทุนหน้าเลือดคนนั้นก็บอกว่า มันหนักครับหนักคุณลุงนี่ก็เลยบอกว่าเอาหนักก็วางสิพอนายทุนมณฑินเขาวางนี่แกก็ฉุกคิดขึ้นมาคุณแกก็สงสัย่วางนี่มันมันมีความหมายว่าอย่างไรหรือเปล่ า, าคุณลุงแกก็เลยพูดตรงจุดเลยนะว่าเนี่ย ไอ้เงินเงินกู้ต่างๆเนี่ยลูกหนี้ต่างๆที่เขาติดหนี้ติดสินคุณนั่นนะโดยเพราลายที่เขายืมไปเป็นหมื่นหลายลายนี่ก็คงจะจ่ายหนี้เนี่ยไปเกินหมื่นแล้วถึงแม้ยังจ่ายหนี้ไม่หมดเนี่ยถ้าว่าเขาค้างอยู่สักรนิดสักระนอยก็ปล่อยเขาไปเถอะนะ คืนเรียกเข้ามาแล้วก็คืนนะไอไอโฉนดหรืออะไรค้าประกันคืนเข้าไปนะไม่ต้องเป็นนี้เป็นสินกันต่อไปเพราะว่าที่คุณได้มามันก็เกินเกินกว่าที่ให้เขายืมไปแล้วนะแกก็นั่งนั่งคิดอยู่สักพักนะแล้วปรากฏว่าแกก็ ก็ทําตามนะอาจจะเป็นพ่อแกมีความทุกข์นะกับเรื่องไอ้นี่สินมากนะก็ไปเรียกลูกนี่นะประเภทประเภทว่าที่ยืนน้อยๆ น, นะเป็นหมื่นเนี่ยแล้วก็ใจ่ายใกล้จะหมดละเรียกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เอาละนะนี่สินคืนไปก็ลูกนี่ก็ดีใจมากนะหลายคนก็ดีใจแล้วก็กีดศัพบนี่มันก็ เริ่มเป็นแพรเริ่มแพรสะพัดในหมู่าผู้คนย่านตลาดแถวนั้นคนก็เริ่มชื่นชมนะเพราะว่าแกนี้ไม่น่าเลื่อดเหมือนเก่าแ ก, ก่รู้สึกดีขึ้นนะตอนหลังนี่แม้กระทั่งคนเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ที่ยืเมเงินแกเป็นแสนเนี่ยก็ยังติดค้างแกอยู่มากบ้างน้อยบ้าง แกก็เรียกมาคุยนเรียกมาพบแล้วก็คืนโฉนดคืนอะไรให้หมดเลยนะบอกว่าไม่เอาละเลิกแล้วต่อกันปรากฏว่าคราวนี้แกก็กลายเป็นที่ชื่นชมสรระสวยของผู้คนนะในย่านตลาดท่านั้นมีคนเห็นแกก็ยกมือไหว้นะไม่ทำนั่งอีกนั่งงองมอนมาก่อน บางคนก็เอาของมาให้นะเอาของมาให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณซาบซึง้งนั่นแกก็ถึงมีความสุขเลยนะทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการที่แกได้คิดจากไอหินที่ถือไว้ในมือนะอแกะรู้จริงนะว่าเออถือแล้วมันหนักนะหนักก็ปล่อยเสียนะคุณลุงคนนั้นบอกหนักก็ปล่อยหนักก็วางซะมันทำให้แกได้ฉุกคิดขึ้นมา แล้วพแกทำแ้แกก็สบายใจแกคงได้คิดนะว่าไอการที่ไปเก็บดอกเบียแพงๆเนี่ยนะถึงแม้ว่าทำให้แกร่ำรวยนะแต่แกก็ไม่มีความสุขใจเท่าไหร่เพราะว่ากลายเป็นที่รังเกียจเกียดชังของผู้คนแต่ที่แกทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะเพราะความโลภเพราะความโลภความโลภทาให้แก คิดจะเอาเปรียบผู้คนไอ้ความโลภนี่ก็เป็นความยึดติดนะยึดติดในทรัพย์ยึดติดในเงินแล้วพอให้กู้ไปแล้วนะมันก็กลายเป็นภาระนะลูกนี่ทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นภาระในหัวใจของแกในความรู้สึก ข, ของแกกลวงว่าลูกนี่จะเบี้ยวกลวงว่าเขาจะาชักดาบนะ ก็ทําให้แก่ทุกข์และมีนามซ้ำนะถึงแม้คนจกลูกนี้จะไม่เบี้ยวนะก็จ่ายเงินแต่ว่าแกก็ไม่มีความสุขจากผู้คนที่ได้ยินกิตติศัพท์ของแก่หรือคนที่เป็นลูกหนี้หรือเคยเป็นลูกหนี้จะ่พอกกได้รู้จักคําว่าวางรู้จักคําว่าปล่อยนะที่แรกอาจจะนึกอาจจะเข้าใจเป็นแค่ปล่อยลูกหนี้ไปซะปล่อยลูกหนี้ไปซะ เพราะว่าลูกนี้มันเยอะเหลือเกินนะแล้วก็กลายเป็นภาระความเข้าใจาแก่ขั้นแรกๆคงจะเป็นแค่นี้แหละคือปล่อยลูกนี้ไปนะพอปล่อยแล้วเนี่ยที่มันจะเป็นลูกนี้ปลาซิวปลาซ้อยนี่หรือว่าลูกนี้หลายเล็กๆเนี่ยแกก็เริ่มมีความสุขนะก็ทําให้เห็นประโยชน์เห็นคุณข้า ง, งการปล่อยก็เลยปล่อยลูกนี่ลายใหญ่ๆไป แล้วแกคงไม่รู้ตัวนะว่าไอ้การปล่อยลูกหนี้ไปเนี่ยมันช่วยทําให้แกคลายความยึดติดในทรัพย์สินเงินทองด้วยไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่แกยึดไว้นี่มันก็เป็นที่มาของความโลภที่มาของความกระหายนะนำไปสู่การเอาัดเอาเปียบนะอาจจะไม่ใช่รับขโมยนะแต่ว่าไอ้การไปขูดรีดดอกเบีย้ยนี่มันก็เป็นการอารัดเอเปรียบอย่างหนึง่ง แล้วแกก็ได้แกกได้รับผลพวงของการรับเอาเปรียบนั้นนะว่ามันสร้างความทุกข์ใจแกแกให้แกอย่างไรบ้างแต่พอเริ่มปล่อยทีละน้อยทีละน้อยนะเริ่มจากการปล่อยรูปนี้รายเล็กๆแล้วก็ตอนหลังก็วางปล่อยรูปนี้ละใหญ่ๆแกพบความสุขแล้วแกคงจะพบว่าอ๋อเนี่ยเป็นที่แท้เป็นพราความยึดติดในทรัพย์สมบัติถ้าแกยึดมันถือมันให้มันน้อยลง แกคงจะไม่โลภจนถึงขั้นไปเอาเปรียบเขาแต่ว่าปัญหาของความยึดติดถือมั่นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นหรือนำไปสู่ความเอ า, เอาลัดเอาเปรียบนะบางคนก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ไม่ได้มีความโลภถึงขั้นที่อยากจะไปเอาเปรียบใครแต่ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่น จะยึดมั่นถือมั่นในในความดีนะทำดีแล้วทําไมไม่ได้ดนะียึดมั่นในผลของความดีนะทำไมทําดีแล้วไม่มีคนเห็นความดีของเราทําไมเจ้านายไม่เข้าใจทําไมเพื่อนไม่เข้าใจนะีอันนี้ก็ทุกข์นะหรือว่าเกิดเผลอทําผิดทําพลาดอะไรไป ขับรถถอยหลังไปเหยียบเอาแมวเข้าตายนะแมวตายแมวถูกรถทับบีก็เสียใจนะในความรู้สึกผิดติดค้างใจมันก็เล่นงานอันที่มันต่างจากการยึดติดในทรัพย์นะยึดติดในทรัพย์เนี่ยมันนําไปสู่ความโลภนะแต่ว่าการยึดติดในการกระทําบางอย่างนี่มันก็กลายเป็นบาดแผล ในจิตใจและที่มันทิ่มแทงใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีความยึดติดในความดีอยู่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับฟ้องว่าเรานี่ไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีเราอยากจะเป็นคนดีแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่ทําหรือย้ําฟ้องว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดทนไม่ได้ที่จะเป็นคนที่ไม่ดี อันนี้ก็ถ้ายังยึดติดเนี่ยนะมันก็ชิมแทงใจมากแบบนี้ก็ต้องวามกันนะถึงจะมีความสุขถึงจะมีสันติสุขในในใจนะะคนเราก็มีความยึดต่างๆกันไปการยึดบางอย่างมันก็นำไปสู่การเอาระเอาเปรียบนะแต่หลายคนไม่ได้เอาเปรียบเพราะว่าไม่ได้มีความโลภ เป็นคนที่พยายามทำความดีรักมีมีรักษาศีลแต่ความยึดติดมันก็นำไปสู่ความทุกข์บางทีมันก็นำไปสู่อบายได้นะอาจารย์สิงห์ทองนั่นเคยเล่าให้คุณหมออมาราฟังคุณหมอมาาหมอมาราก็มาเล่าอีกทีหนึง่งว่ามีแม่ชีคนหนึ่งเป็นคนเคร่งในศีลมากวันหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ ก็เห็นหมดตายใกะละมังเห็นแล้วก็ใจก็วูบเลยรู้สึกจิตใจเศร้าหมองเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยศีลพร่องศีลทะลุทำให้หมดตายเป็นปานาติบาต ท, ที่จึงไม่ได้เจตนาก็ไม่รู้เป็นปานาติบาตนะแต่ว่าไอ้ความยึดติดในศีลเนี่ยในวินัยเนี่ยมันทำให้แม่ชีวนนี้ไม่มีความสุขเลยคุ้นคิดแต่ ไอ้เรื่องนี้แหละจิตใจเศร้าหมองไปทั้งวันวันลุ่งขึ้นก็ยังไม่หายเศร้าหมองแล้วจู่ๆก็เกิดหัวใจวายอาจจะเป็นเพราะความชราไอนะ้จิตสุดท้ายเนี่ยก่อนตายเนี่ยนึกถึงมดตัวนั้นจู่ะไม่ได้นไม่ได้นึกถึงมดตัวนั้นนึกถึงความรู้สึกผิดนะว่าตัวเองเนี่ยศีล ไม่สะอาดศีลพร่องศีลทะลุจิตใจเศร้าหมองปรากฏว่าพอตายผู้ก็ไปอาบายเลยอาจารย์ศิลทองเขาบอกว่าเนี่ยไอ้มดตัวเล็กๆนี่ชุดแม่ชีลงอาบายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่ไม่รู้จักวางนะเป็นการยึดเหมือนกันถึงแม้คนละแบบกับนายทุนเงินกูนก้คนนั้นนะ นทุนเงินกู้คนนั้นเนี่ยมันยึดจงกระทั่งนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบการทำบาปแต่แม่ชีอันนี้เป็นตัวอย่างการยึดนะเพราะหมายมั่นในความในความดียึดมั่นในศีลมากแต่พอไม่รู้จักวางเนี่ยมันก็ทิมแทงใจสร้างความทุกข์แล้วก็ส่งผลที่ยาวกลายไปถึงพบหน้าเลยในเรื่องการการปล่อยวางนี่สำคัญมาก มันไม่ใช่สําคัญเฉพาะคนที่เคยทําความชั่วหรือกําลังทําความชั่วอยู่แม้กระทั่งคนที่ทําความดีนะก็ต้องรู้จักการปล่อยวางด้วยแต่บางครั้งเนี่ยที่ปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ายึดนะอย่างนายทุนเงินเกลืคนนั้นเนี่ยแกก็ไม่รู้ตัวนะว่าแกยึดมั่นถือมั่นมากจกนกระทั่งมาได้คิดตอนที่ ได้จับได้ถือก้อนหินแล้วรู้สึกมันหนักแล้วก็มีคนเตือนมีเพื่อนเตือนว่าหนักก็ปล่อยสิจะถือไปทำไมหนักก็ปล่อยก็ทำให้ฉุกคิดทาให้ได้สติขึ้นมาที่จริงแกถ้าแกไม่มีความทุกข์นะก็คงยังไม่ได้คิดนะแต่ว่าเนื่องากมีความทุกข์จากการที่ถูกคนรังเกียจจงเกียจจงชังนะก็ทาให พอมีคนพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นมาจุดแรกอาจจะคิดตื้นตื้นห่อยคิดแค่เพียง แ, แค่ว่าเออเราทุกข์เพราะเราไปยึดเอาลูกนี้เอาไว้ต่อหลังทําไปทําไปก็รู้ว่าเออเป็นเพราะเราไปยึดเอาทรัพย์ยึดเอาเงินทองถือว่าเป็นสารณะ ก, ก็ได้พอค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยมันก็สบายเห็นความสบายที่เกิดจากการวางให้การยึดติดในความดีเหมือนกันนะหรือว่ายึดติดใน ในอารมณ์ที่เป็นผลจากความดีความเสียจใจความรวมทั้งความโกรธที่ถูกต่อว่าด่าทอขาหาว่าเราเป็นคนไม่ดีขาหาว่าเราเป็นเป็นคนเห็นแก่ตัวอสอวนคนที่เป็นคนดีนะคงไม่มีคำพูดอะไรที่มันทิมแทงใจมากเท่ากับคำพูดว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัว เธอเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจหรือว่าบางทีก็อาจจะเสียใจเพียงแค่ว่าถูกหาว่าทำไมทำไมเป็นคนขี้โกรธแบบนี้แค่นี้ก็ก็เจ็บปวดเจ็บใจแล้วแล้วก็พอไม่รู้ตัวก็ไปยึดเอาไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากไอ้คำพูดเหล่านั้น ท่านทำความดีเนี่ยนะก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะแตจะปล่อยวางได้เนี่ยมันก็ต้องอย่างที่บอกไว้นะก็คือว่าต้องหันกลับมาดูใจของตัวด้วยเวลาเราทำความดีด้วยทานด้วยศีลเนี่ยนะมันเป็นการกระทำกับภายนอกเราให้ทานแล้วก็สละทรัพย์ให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าทำบุญให้กับวัด เวลาเรารักษาศีลแล้วก็ทำความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นการทำกับคนภายนอกแต่ว่าถ้าเราทำเพียงเท่านั้นเนี่ยไม่กลับมาดูใจของเราบ้างนะก็อาจจะเป็นทุกข์กับการทำความดีนั้นนะอย่างที่ว่าเนี่ยทดีแล้วทาไมคนไม่เห็นหรือว่าทอดผป่าเสียใจที่ รวบรวมเงินได้น้อยตั้งใจว่าอยากจะได้ให้เป็นให้ถึงล้านแต่ว่าได้มาแค่แสนก็เสียใจเสียใจที่หาเงินมาได้น้อยหรือบางทีอาจจะรู้สึกเสียหน้าที่คนอื่นเขาหาได้มากกว่าตัวนะเพื่อนเขาทอดผราป่าเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพท่าก็ถิ่นไปทอดบัดน้อยเขาได้มากกว่าเรา ข้อหาได้เป็นล่าเรานะได้แค่แสนเสียใจรู้สึกหรือว่าเสียหน้านแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์อย่างนั้นแหละทำบุญแล้วจิตใจก็เศร้าหมองนะเป็นวันเป็นอาทิตย์นะัถ้าไม่กลับมาตามดูรู้ใจของตัวเองนะมันก็ไม่สามารถที่จะวางได้นะมันก็แบกอารมณ์ที่เศร้าหมองเสียใจเสียหน้านั้น ไปเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้การทำความดีใ น, ในด้วยการให้ทานรักษาสีเนี่ยมันเป็นการกระทำกับภายนอกนะเป็นการทำความดีกับภายนอกแต่ว่ า, าการที่เราจะกลับมาดูใจก็สำคัญเหมือนกันการกลับมาดูใจนี่ก็คือภาวนาท่นเองทานศีลต้อควบภาวนา น, า น, านนะทานศีลมันกระทากับภายนอกส่วนภาวนานี่มันกระทำกับภายในก็คือใจของเรา กลับมาดูใจของเราเร้กลับมาดูใจถูกนะหรือว่าดูใจเปน็นก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เห็นแล้วมันก็วางได้เพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นจนอารมณ์ครอบงาใจเนี่ยมันก็เรื่องแล้วแต่เกิดจากความหลงความหลงความไม่รู้ตัวเป็นเพราะหลงเป็นเพราะไม่รู้ตัวก็เลยโกรธ แล้วเมื่อโกรธแล้วมก็ยิ่งไม่รู้ตัวหรือหลงหนักเข้าไปใหญ่แต่ถ้ามีสตินะภาวนาเนี่ยมันทำให้เรากลับมาเห็นใจเมื่อกลับมาเห็นใจหรือกลับมาดูใจก็จะเห็นไอ้ความยึดติดถือมั่นเห็นอารมณ์ที่ครอบงามันก็วางได้เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจนี้นก็ช่วยได้เยอะแล้วนะไม่ต้องทาอะไรกับมันนะ การรู้เฉยๆนี่มันมีพลังมีอนุภาพมากถ้าหากว่าเราเปรียบอารมณ์ที่ครอบงามใจเหมือนกับมานเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ามานมันอยู่หรือมาครองใจนี่ก็เพียงพอแล้วนะที่ทําให้มานมันถอยไปได้ในสายพุทธการเนี่ยหรือในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับมาร น, นะที่มารบ ก, กวน นะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งภิกษุภิกษุณีแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ละเว้นมารบ ก, กวนในลักษณะต่างๆเช่นมาหลอกให้กลัวเช่นทําให้เกิดแผ่นดินไหวมาปลอมตัวเป็นช้างเป็นเสือทําให้นักปฏิบัตินี่ตกใจเลิกทําความเพียรหรือบางทีก็มาพูดให้เขวพูดให้เขวนี่เก่งมากเลยนะมานเช่น ภิกษุนีบางท่านนี่ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อนิพพานมารก็มาชวนบอกว่าเนี่ยนิพพานไปทําไมไปสวรรค์ดีกว่าสวรรค์สบายกว่าเยอะนะหรือแม้กระทั่งพระเจ้าเนี่ยนะในขณะที่ไม่ตัดสโลนิมารก็มาบอกว่าเนี่ยท่านก็ทําบุญมามากแล้วนะบุญที่ท่านทํามานี้เยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องทําความเพียรก็ได้ นะบุญที่ได้ที่เคยทำมาสะสมมาเยอะแยะแล้วพุทธเจ้าต้องตอบโต้มานไปว่าที่เราทำนี่ไม่ได้เพื่อเพื่อเอาเพื่อทำบุญนะแต่เรามุ่งที่จะอยู่เหนือบุญนะให้ท่านไปพูดกับคนที่สนใจทำบุญดีกว่านะไล่ให้มานไปบางทีมานก็มาพูดแย่นะพูดมากันแนกันแนพะุทธเจ้าเนี่ยนอนหลับเหมือนตายเลยนะเห็นพุทธเจ้านอน ก็มาหาบูจาเน่นอนหลับเหมือนตายบูจาก็ต้องกล่าวโต้ไปว่าเนี่ยผู้ที่ไม่มีตัณหาแม้หลับอยู่ก็เหมือนตื่นเพราะว่าอุป ธ, ธิคือกิเลสหมดสิ้นแล้วบางทีก็ชวนผู้าใายไปไปคองราชนะกลับไปเลิกปฏิบัติแต่แล้วไปไปครองราชสมบัติดีกว่านะทำประโยชน์ได้เยอะนะอันนี้คืออุบายของมารนะที่มาพูดมาชักจูงให้เว ให้เลิกทำความเพียรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำความเพียรจนถึงท่านบรลูนิพานเนี่ยก็จะยังอยู่ในอำนาจของมารมานี่ในพระไตรปิฎกนะท่านท่านหมายถึงเทวปุตตมานนะคือมารที่เป็นเทวดามานี่จริงเป็นเทวดานะอยู่อยู่ในสวรรค์ชั้นการมาวจรชั้นสูงเลยกลัวว่าคนเนี่ย จะไม่อยู่ในอำนาจของมารก็เลยพยายามชักจูงให้เลิกปฏิบัติเลิกทำความเพียนหันไปทำบุญแทนหรือหันไปคลองราชบางทีก็ชวนพระเจ้าให้ไปไปไปบรรพณทุกขกกิริยากลับไปบรรพณทุกขลกิ ร, ริยาใหมนะ่เพราะว่ารู้ว่าถ้าพระเจ้าบรรพณเพียนด้วยทางสายกางนี้ก็จะหลุดพ้น ก็มีวิธีการหลายๆอย่างนะที่พระรูปเจ้าแล้วก็พิสุทธิ์พิสุณีจัดการกับมารแต่วิธีการหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือการพูดกับมารว่าโดยเพราะเวลาที่มานี้มาหลอกมาหลอกให้เขวมาในรูปของสัตว์ร้ายแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะพูดกับมารว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้วเรารู้จักท่านแล้วนะท่านอยากคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพูดแค่นี้นี่มารก็ตกใจนะ เสียใจมีค่าวนึงไปแกล้งทําแผ่นดินไหวให้พระรูปหนึ่งชื่อพระสมิทธิท่านตกใจมากเลยนะรีบกลับไปเชตวันรู้จ้าก็ถามาเกิดอะไรขึ้นพอพระภิสุทสมิทธิเล่ารู้จ้าก็ระลูเราเนี่ยมารมามาแกล้งก็นะพระสมิทธินะบอกว่าถ้าหากเจอแบบนี้อีกเนี่ยให้พูดไปเลยนะว่ามารผู้มีบาเรารู้จัก เจ้าแล้วเรารู้จักท่านแล้วอย่ารู้จักอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพระสมิทธิที่ก็ทําตามนะพอเจอแผ่นดินไวก็พูดเลยนะว่ามาพูดมีบาปเรารู้จักท่านแล้วนะอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านวันมานี่พอรู้ทันนะเสียใจมากเลยนะบนพืมนพาวาเนี่ยพระสมิทธิี่รู้จักเราแล้วนะแล้วก็หายไปเลยมีคราหนึ่งก็ไปสิงในท้องของพระโมคคัลลานนะ โมคคลานี่ทำยังไงก็เอาไม่ออกนะไม่ยอมออกจนกระทั่งพูดกับมารว่าเนี่ยมารเรารู้จักท่านแล้วอย่าคิดว่าท่านท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะเท่านี้แหละนะมารก็ยอมแพ้เลยเพราะว่าสิ่งที่มารกลัวที่สุดคือการรู้ทันนะบางคราวก็ไปไปสิงนะกับเทวดาเทวดาตรงนี้ก็สรรเสริญการเพอเพินในกาม พูดเพื่อจะอหักล้างคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ก็ไม่ทำอะไรมากก็เพียงแต่พูดว่าเนี่ยมารผู้มีบาปแค่นี้แหละมานี่ก็ยอมแพ้เลยเพราะสิ่งที่มารกลัวที่สุดคือการรู้เท่าทันเพียงแค่รู้เฉยๆนี่ก็มากพอแล้วนะที่จะทำให้มารเนี่ยล่าถอยได้ มารที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นบุคราธิสถานก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เทวปุตตมารอาจจะเป็นกิเลสสมานมาร น, นี่มีหลายอย่างนะมีห้ายอย่างนอกจากเทวปุตตมารแล้วก็มีกิเลสสมานก็คือกิเลสนะที่มาคอยขัดของการทําความดีหรือว่าขันธมารขันธมารคือขันห้านี่แหละที่เป็นอุปสรรคในการบําเพ็ญเพียรเช่นความเจ็บความป่วยนะความเจ็บความป่วยนี่ก็ถือว่าเป็นมาร น, นะเรียกว่าขันธมาร ความตายก็เป็นมารหรือว่าปัจจุมานหรือว่าการปรุงแต่งอภิสังขารมารนี่ก็ใช่พวกเรานี่อาจจะไม่เจอเทวปุตตมา น, นะแต่ว่าเจอกิเลสมานหรือเจอขันธมา น, น, ะนะฉะนั้นถ้าเราเจอเนี่ยนะมันก็มาในรูปของเสียงภายในที่ทำให้เราที่อยากที่ทาให้เราท้อแท้ท้อถอย เกิดความรังเกสงสัยในการปฏิบัติมาปฏิบัติทําไมปฏิบัติเท่านี้ก็พอวันหลังค่อยว่ากันใหม่ตั้งใจว่าจะมาเจวันอ่ะสาวันพอแล้วหรือสองวันพอแล้วนะหรือไม่ก็าจะรีรอผัดผ่อนว่าเอาไว้แก่ค่อยมาปฏิบัติก็แล้วกันไอพวกนี้กิเลสสมานะหรือแม้กระทั่งความโกรธนะความทุกข์ความเสียใจความไม่นเ้ิต่ำใจไอพวกนี้เนี่ยก็เป็น กิเลสมานหรือว่าอภิสังขารมานได้เราไม่ต้องทำอะไรมากนะกับมาเหล่านี้นะก็เพียงแต่รู้ทันนะชี้หน้านะใส่กิเลสเหล่านี้ใส่มารเหล่านี้เนี่ยก็มากเพียงพอแล้วที่จะทำให้มันลอดถอยไปได้สำนักปฏิบัติบางแทงกใ็ใช้ใช้คำว่าจะเรียกชื่อใช้วิธีการเรียกชื่อ โกรธหนาะเกลียดหนอโลภหนอกลัวหนออันนี้ก็เป็นอุบายเป็นวิธีนะที่จะใช้เรียกชื่อทําให้อารมณ์เหล่านี้หรือว่ามาเหล่านี้เนี่ยมันล่าถอยไปแต่ว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนแล้วก็หลวงพ่อคําเขียนนำมาสอนนี่ไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องอบอกชื่อไม่ต้อง ใส่ป้ายหรือว่าแขวนป้ายให้อารมณ์เหล่านั้นแค่รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นเห็นมันก็เพียงพอแล้วเห็นแค่เห็นเฉยๆนี่มันก็มีพลังมากพอนะที่จะทำให้มันดับหรือล่าถอยไปแทนที่ครูบาอาจารย์หลงเที่ยวหลวงพ่อขมเขียนเนี่ยชี้กว่ารู้ซื่ อ, เ, อ เ, เนี่ ย, อ, อ, ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่อง ง่ายๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีน้ำยานะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีหรือพระพิสุททั้งหลายทึ่ภายหลังได้กันเป็นพระอรหันต์าก็ได้ใช้มันแล้วนะในการที่จะรับมือกับมารถึงแม้มารจะมีฤทธิ์มากแต่ว่าเพียงแค่ถูกคนดักคอหรือถูกคนรู้ทันนะมันก็ยอมลาถอยไปมารจะพูดอยู่เสมอนะ พระสมมิทธิรู้จักเราแล้วพระตถาคนรู้จักเราแล้วพูดด้วยความเสียใจผูดด้วความรู้สึกเจ็บปวดนะแล้วก็ลาถอยไปอันนี้อาจจะเป็นปุคลาทิสถานนะของไอ้กิเลสสมาหรือขันทมารก็ได้เวลามีความเจ็บความปวดนี่ก็ให้ดูมันเฉยๆนี่แต่ถ้าเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่มันก็มากพอที่จะทําให้ ใอ้ความทุกข์ใจเนี่ยไอ้ความปวดใจเนี่ยมันหายไปความปวดกายยังมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่มาคุกคามจิตใจไม่มาบีบคั้นจิตใจใจก็เป็นปกติได้ใจก็สงบได้แม้ว่ากายจะปวดหรือว่าแม้จะถูกเวทนาบีบคั้นก็ตามให้เราฝึกใจนะให้เราฝึกได้รู้วิธีนะการรู้การรู้ซื่ อ, อหรือว่าการเห็นไม่เข้าไปเป็นนะมันเป็น วิธีการนะที่ช่วยนําไปสู่การปล่อยวางได้ไม่ว่าจะปล่อยวางอารมณ์ใดก็ตามนะแต่แน่นอนนะสำหรับคนที่ยังยังไม่สามารถภาวานาได้อย่างเข้มแข็งคล่องแคล่วการให้ทานการรักษาศีลอันนี้ก็ยังสําคัญเพราะว่ามันช่วยในการขัดเกลาจิตใจได้ช่วยลดละความเห็นแก่ตัวได้ แล้วก็ช่วยปล่อยวางได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักให้ทานอย่างถูกต้องนะมันไม่ใช่เป็นการปล่อยหรือให้หรือวางทรัพสมบัติหรือสละสิ่งของเท่านั้นนะมันช่วยปล่อยช่วยวางช่วยสละความเห็นแกะตัวด้วยอันนี้ก็เป็นการปล่อยการวางที่สำคัญเหมือนกันทานสีเนี่ยเป็นการทำภายนอกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งจุดหมายปลายทางคือการปล่อยวางนะ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอก็ควรอทําทบําเพ็ญทานแล้วก็ศีลอย่างสม่ําเสมอแม้จะมาเจริญภาวนาแล้วก็ตามคนที่เจริญภาวนาโดยที่ทานและศีลเนี่ยไม่ใส่ใจนะเดีย๋ยวว่าแต่ศีลแปดแล้วอาแค่ศีลห้าเนี่ยไม่ใส่ใจนี่ก็ยากที่จะภาวนาได้เจริญก้าวหน้านะเคยไป ที่อยู่ที่วัดอมารวดีนะที่ประเทศอังกฤษนะคนฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะคนอังกฤษอเมริกันนี่เขาสนใจภาวนามากในขณะที่คนไทยนี่ไม่สนใจคนไทยถนัดเรื่องการให้ทานหรืออย่างมากกร็รักษาศีลวันเสาร์วันอ า, าทิตย์ก็มาถวายอาหารถวายอย่างดีแต่ว่าพอถึงเวลาภาวนาหรือแม้แต่เวลาฟังเทศน์ก็ไม่ฟังแต่ฝรั่งนี่มามือเปล่านะ ไม่ค่อยให้ทานเท่าไหร่แต่ว่าสนใจภาวนาสนใจฟังธรรมนะถ้ามีภาวนานี่เข้าคอสนี่ห้าวัน7วันก็มาทานก็ไม่สนใจทําน้อยบางทีสีนก็ไม่เอานะโดยเพราะสีนข้อสนะไม่เอาเลยอันนี้คือ20ปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ก็คือว่าฝรั่งนี่เขาจะเอาภาวนาแต่ว่า เรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบฟรีเซ็กนี่เขาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่จะให้ถือศีลข้อสามนะเขาไม่เอาแล้วก็คิดว่าเนี่ยภาวนาก็พอแล้วฐานไม่ต้องกันด้ศีลก็ไม่ต้องแคร์มากอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะถือแม้ว่าจะมาภาวนาทำจริงจังจริงจังแค่ไหนนะฐานและศีลก็ทิ้งไม่ได้แต่ถ้าทา บำเพ็ญแต่ทานและศีลไม่เอาภาวนานี่ก็มันก็ยังต้องมีมันก็ยังหนีความทุกข์ได้ได้ยากนะต้องเจอความทุกข์อย่างที่เล่ามาวันนีขยันก็ตามที่โดยเฉพาคนไทยที่หนักในเรื่องการให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็อย่าลืมนะต้องกลับมาสู่หรือเดินหน้าสู่ภาวนาด้วยในงานนี้ก็จะต้องยังต้องยังต้องมีความทุกข์นะเพราะการทําความดีอยู่เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง เอาคำนี้ก็พูดกันทนันทะีเอากราบพระ